ปีพุทธศักราช2531พันศาที่43จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบนหลังเขาเมืองปุญจะประเทศอินโดนีเซียนับเป็นเวลากว่า22ปีที่ท่านสงเคราะห์โลกอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้ก่อสร้างถาวรวัตถุและวัดวาอารามต่างๆไว้มากมายขยายวัดสาขาไปทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2531ท่านจึงปรารบว่า อยากจะหาที่เหมาะสมไปพักผ่อนเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยทรมานกายตั้งแต่ออกสงเคราะห์โลกอยากชำระาธาตุขันที่หมักหมมด้วยการงานมาหลายปีประกอบกับในขณะนั้นมีคณะสิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศนิมนต์ท่านไว้หลายแห่งท่านจึงถามสิทธิใกล้ชิดว่าจะไปที่อเมริกาหรือจะไปที่ไหนดีหาที่สงัดจากแขกคนที่เกี่ยวข้องพักผ่อนภาวนาเมื่อท่านปรารภอย่างนั้นแล้ว คณะสิทธิ์จึงปรึกษากันและกราบนิมนต์ท่านไปที่ไร่ชาเมืองปุณจะประเทศอินโดนีเซียขณะที่พักอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียญาติโยมคณะศรัทธาจากประเทศออสเตรเลียนิมนต์ท่านไปร่วมงานกระถินของรัฐบาลไทยที่วัดพุทธรังสีนคะรซิดนีย์ร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่เช่นพระธรรมไตโลกาจาร์พระธรรมบัณฑิตท่านไปพักอยู่ได้หนึ่งเดือนก็สั่งลูกศิษย์ให้โทรไปที่อเมริกาเนื่องจากในปีพุทธศักราชสองพ ท่านเคยเดินทางไปเผยแผ่ธรรมและมีคนที่ต้องการถวายที่ดินเมื่อติดต่อไปทางอเมริกาตอบว่าตอนนี้หนาวมากแต่ถ้าหลวงปู่จะไปอยู่เขาจะยกบ้านที่อเมริกาให้อยู่จำพรรษาท่านจึงว่าไปอยู่บ้านโยมนะ่ะไม่ไปดอกอยากจะไปอยู่ป่าท่านจึงบอกให้พระอาจารย์มานะซึ่งเป็นสิทธิ์ติดตามติดต่อไปที่คุณยูริยันติเมืองปุณจะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน เมื่อคุณยูรีทราบข่าวว่าท่านจะมาพักจำพรรษาจึงตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งจัดที่พักบนหลังเขาทำทางเดินจงกรมถวายท่านสร้างกุฏิบนต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบภายในเนื้อที่หนึ่งพันไร่อากาศสับปายักษ์ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์ท่านได้ปฏิบัติสมณธรรมตามสมณวิสัยท่านทำความเพียรเหมือนสมัยยังเป็นนมท่านอดอาหารภาวนาแผ่เมตตาแจสรรพสัตว์เสมอ ยามว่างจากการอบรมสั่งสอนท่านใช้เวลาค้นคว้าศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียและเยี่ยมาศาสนสถานต่างๆได้ทราบว่าประเทศอินโดแต่ก่อนเป็นเมืองพระพุทธศาสนาประชาชนนับถือาศาสนาพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเกิดสงครามศาสนาศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาถูกเผาทำลายคงเหลือแต่พระเจดีย์บูโรพุทโธ ที่สร้างด้วยหินทรายขนาดใหญ่ใช้ระเบิดทําลายก็ไม่พังไปได้หมดและมีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านจึงปรารบว่าถ้ามีโอกาสจะสร้างพระเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้บ้างเพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความถาวรมั่นค ง, งของพระพุทธศาสนาใครพังทําลายไม่ได้ง่ายๆสร้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคนเขาก็ทําลายได้ง่ายๆดูอย่างพระเจดีย์บุโรพุทโธยังคงสง่างามประกาศสักดา ของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอินโดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกออกพรรษาแล้วทาดขันของท่านที่เคยหมักหมมเมื่อยล้าต่อการงานมานานท่านกลับกระปรี่กระเปล่าผ่องใสขึ้นท่านจึงปรารกว่าเอาล้นะสบายดีแล้วข่าวนี้จะไปไหนก็ไปได้หลังจากนั้นท่านและคณะสิทธ์จึงเดินทางกลับประเทศไทยหลวงปู่ีมหาวีโรท่านได้เล่าเรื่องพระชาวอินโดนีเซียภาวนาดีให้ฟังว่า พระชาวอินโดรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้แจไปอยู่เมืองเลสซีดอินโดนีเซียเท่เจ่งนะใจใหญ่ใจกว้างแกถามปัญหาพวกพระสมเด็จบางองค์ก็แจ้ปัญหาไม่ถูกจุดจึงคลายศรัทธาไปบ้างเกิดถือทิ่ถีมาณะว่าตัวเองเจ่งสมเด็จพระยาณสังวรก็เลยส่งมาหาเราก็มาอบรมในนามพระสังฆาธิการเราจึงแนะนำให้ว่าความรู้ความเห็นทางนั้นมันดีอยู่หรอกแต่ว่ามีความรู้เหล่านี้ มันไม่ได้ส่งเสริมจิตใจของเราให้สูงขึ้นหนักเข้าถ้าหากใครไม่ระวังก็เลยจะสําคัญตัวเองว่ามีอะไรต่อมีอะไรต้องพิจารณาร่างกายเป็นหลักต้องอบรมกระทำให้มากในกายยคตาสติสตินั้นต้องสังวรอยู่เสมอในตาเห็นรูปหูฟังเสียงจะหมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องใจรู้ธรรมารมอย่าปล่อยให้จิตใจสยบในอารมณ์ที่ชอบไม่เคียดแค้นในอารมณ์ที่ไม่ชอบ ตั้งสติและจิตไว้ในวงกายพิจารณาค้นหาความจริงด้วยสติและปัญญาดับบาปอากุศลที่จะเกิดทางทาวารทั้ง6ดังที่กล่าวมาแล้วเปรียบเหมือนเราจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันคือจับงูจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ ง, งแล้วจึงนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนสัตว์เหล่านั้น มีที่อาศัยและที่เที่ยวหากินต่างกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปตามที่ตนปรารถนางูจะเข้าจอมปลวกจร ะ, ะเข้จะลงน้ํานกจะบินไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นยื้อแย่งกันสุดฤทธิ์สุดเดชมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วพวกมันทั้งหลายหมดเรี่ยวแรงต่อสู้ก็จะพึงยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนนั่นเอง ท่านเอยเสาเขื่อนที่มั่นคงนั่นแหละคือกายขะตาสติส่วนจิตที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรมารมก็เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายถ้าเราพิจารณากายอบรมจิตกระทำให้มากๆเพียนพินิษพิจารณาโดยรอบครอบทำโดยสม่ำเสมอความรู้แจ้งแทงตลอดกายนี้ก็จะปรากฏส่วนความรู้ความเห็นอื่นๆ อ, อันเป็นเรื่องของนิมิตก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป เพราะเราค้นพบความจริงแล้วเมื่อพระชาวอินโดได้ฟังธรรมที่เราแนะนําให้แล้วเธอก็เร่งกําหนดเข้ามาตามที่เราสอนเดี๋ยวนี้ก็ไปตั้งวัดอยู่ภูเขาเมืองลาซัมอยู่ในประเทศอินโดนีเซียรสร้างอยู่บนหลังเขาทำเสี้ใหญ่โตอยู่คนเดียวในกลุ่มนั้นมีแต่อิสลามทั้งหมดตอนนั้นเราไปหาเห็นเราร้องไห้โหขึ้นเลยสั่นไปหมดแจดีใจมากเกิดปีติขึ้นมาแต่ว่า ไม่ค่อยถูกกันกับหมู่เพื่อนความเห็นมันดิ่งหมอนี่หมู่พระอยู่แถวนั้นไม่ค่อยถูกกันแจพูดถามความจริงไปเลยตกลงต้องอยู่คนเดียวถ้าจะเอาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตใจจริงๆอันนั้นมันเป็นที่พึ่งแกเจ้าของที่แท้จริงธรรมะเข้าถึงใจใจเข้าถึงธรรมะนั่นแหละเป็นธรรมะของเราที่แท้จริงแต่ธรรมะที่ได้ยินจากคนนั้นคนนี้ในตำรับตำรามันเป็นธรรมะของคนอื่นท่านหรอก เรายืมมาใช้เฉยๆยืมมาพูดเฉยๆถ้าหากเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตใจโดยเฉพาะแล้วโอ้ยมันกว้างขวางใหญ่โตมันลืมไม่ลงหอกเพราะใจเป็นผู้รู้เองเห็นเองแต่ว่าจะผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำราก็ไม่ใช่บางอย่างมันไม่เหมือนกัน